ปัญหาที่9ถามถึงลักษณะเวทนาข้าแต่พระนาคเสนเวทนามีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรเวทนามีการทําให้รู้สึกเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามีการเสเวยเป็นลักษณะขอนิมนุ์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้หนึ่งทําความดีความชอบต่อพระราชา เมื่อพระราชาทรงพอพระทัยแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์ยศบริวารให้แก่บุรุษนั้นบัลุษนั้นก็เพียบพร้อมด้วยการมาคุณห้าแล้วเขาก็คิดว่าเราได้ทำความดีต่อพระราชาไว้แล้วเราจึงได้เสเวยความสุขอย่างนี้อีกในหนึ่งเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งทำบุญกุศลไว้แล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ เขาก็มีความสุขด้วยทิพยสมบัติแล้วเขาก็นึกได้ว่าพอเราได้ทาบุญกุศลไว้ในการก่อนเราจึงได้เสวยความสุขอย่างนี้อย่างนี้แหละมหาภพิษเรียกว่าเวทนามีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะหรือมีการเสวยเป็นลักษณะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้วปัญหาที่สิบ ถามลักษณะสัญญาข้าแต่พระนาคเษนสัญญามีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรสัญญามีการจำเป็นลักษณะจำอะไรจำสีเขียวสีแดงสีขาวขอถวายพระพรขอนิมนุ์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างเจ้าพนัก ง, งานขังของพระราชา ได้เข้าไปที่คังแล้วเห็นเครื่องใช้ต่างๆของพระราชาอันมีสีสันต่างๆกันคือสีเขียวก็มีเหลืองก็มีแดงก็มีขาวก็มีเลือมก็มีก็จำไว้ได้เป็นอย่างๆไปชั้นใดสัญญาก็มีการจำเป็นลักษณะชั้นนั้นถูกแล้วพระนาคเษน ปัญหาที่สิอถามลักษณะเจตนาค่าแต่พระนาคเสณเจตนามีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรเจตนามีความจงใจเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่าเจตนามีการประชุมแห่งการตกแต่งเป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่ง ตกแต่งยาพิษขึ้นแล้วก็ดื่มเองด้วยให้ผู้อื่นดื่มด้วยเขาก็เป็นทุกข์ผู้อื่นก็เป็นทุกขฉั้นใดบางคนจงใจทำชั่วแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารกพวกใดทำตามบุรุษนั้นพวกนั้นก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารกเหมือนกันฉั้นนั้น อิปการหนึ่งบรรลุหนึ่ ง, งตกแต่งเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มีรสอันเดียวกันแล้วก็ดื่มเองบ้างให้ผู้อื่นดื่มบ้างเขาก็เป็นสุขผู้อื่นก็เป็นสุขชั้นใดบางคนจงใจทำความดีแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์พวกใดทำตามบรรลุนั้นพวกนั้นก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เหมือนกันชั้นนั้น อย่างนี้แหละมหาปพิธเรียกว่าเจตนามีการจงใจเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามีการปรุงแต่งเป็นลักษณะพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สิบสองถามลักษณะวิญญาณข้าแต่พระนาขเสนวิญญาณมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพร วิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบประดุษบุุษผู้รักษาพระนครนั่งอยู่ที่ถนนสี่แพ่งกลางพระนครต้องได้เห็นบุุษผู้มาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ชั้นใดบุคคลเห็นรูปหรือฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัส นึกถึงสิ่งใดด้วยใจก็รู้จักสิ่งนั้นได้ด้วยวิญญาณฉันนั้นวิญญาณมีการรู้เป็นลักษณะอย่างนี้แหละมหาบาพิษถูกต้องดีแล้วพระนาคเสณปัญหาที่13ถามลักษณะวิตกข้าแต่พระนาคเสณวิตกมีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพร วิตกมีการประกบแน่นเป็นลักษณะข อ, อนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรช่างไม้ย่อมเข้าไม้ในที่ต่อแล้วโบวกด้วยปูนหรือทาด้วยสีให้สนิทชั้นใดวิตกก็มีการประกบแน่นมีการแนบแน่นเป็นลักษณะฉันนั้นถูกต้องดีแล้วพระน้าเกษณ ปัญหาที่14ถามลักษณะวิจารณ์ข้าแต่พระนาคเษนวิจารณ์มีลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรวิจารณ์มีการรูปคําไปตามวิตกเป็นลักษณะขอนิมนต์อุ ป, ปมาณด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่ากลังสดานอันบุคคลเคาะด้วยสันดาบก็มีเสียงดังเป็นกังวานต่อๆกันไปชั้นใดวิตก ก็เหมือนกับการเคาะฉันนั้นส่วนวิจาร์เหมือนกับเสียงดังควรคางไปสมควรแล้วพระนาเกษนจบวรที่สาม